พ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยลูกมันจะเลวมันจะยังไงก็ทั้งเดินกระเทืบบ้านตึงตึงขึ้นช้าขาขึ้นก็ตึงๆขึ้นขาลงก็ตึงๆลงเนี่ยนะปิดประตูดังโครมไปหมดเนี่ยน ะ, อ, ะอาจารย์ทั้งหลายท่านจะมีเมตตาได้อย่างมากไม่เกิน3าครั้งเนี่ยนะสาครั้งถ้าถาก่าไม่คิดจะปรับตัวก็คงว่าทางใครก็ทางใคร พอเกิดมาก็ไม่ได้ต้องไปรับผิดชอบอะไรมากมายขนาดนั้นใช่ไหมแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่จําต้องทนไปขี้เหล้าเมายามาอาเจียนหน้าบ้านก็ต้องลากขึ้นจูงขึ้นมาหลับมานอนอะไรเป็นต้นพ่อแม่อาจจะเอื้อเฟื้อถึงขนาดแล้วก็ยังไงก็ลูกเราแต่ในทางาศาสนาเราไม่ได้เป็นลักษณะขนาดนั้นอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งขาดเมตตาต่ออีกฝ่ายหนึ่งบุคคล น, นั้นก็กลายเป็นบุคคลที่ไม่สัปปะยะต่อกังเรียกว่ากลายเป็นบุคคลที่ไม่สัปปะยะเนี่ยนะ กลายเป็นว่ามาสร้างความรําคาญให้กลายเป็นว่ากุศลธรรมไม่ค่อยเจริญและเนี่ยนะเอาภาระมาทับถมให้เพราะจริงๆแล้วถ้าตัวเองต้องการภาระต้องการความรับผิดชอบขนาดนั้นแล้มาบวชทําไมเนี่ยนะมาบวชทําไมาาาาค่านท่านก็ท่านคล้ายๆกับ ว, ว่าคนที่เป็นครูอาจารย์ก็จะเรียกหาสิทธิของตัวเองว่าที่ตัวเองเข้ามาบวชทีแรกก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องมารับผิดชอบใครในบัดนี้ทําไมคนโยนภาระมาให้ตัวเองอะไรมากมาย ขนาดนั้นเพราะทุกคนก็ต้องช่วยแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันไอการที่ช่วยแบ่งแบ่งเบาภาระต่อกันก็คือการมีเมตตาต่อกันเอื้อเฟื้อในการและกันแค่นะทั้งกล่าวว่าโดยกายกรรมต่อหน้าและรับหลังนะต่อหน้าก็คือมีกิจอะไรต้องช่วยก็ว่สามารถช่วยกันได้ก็ช่วยก็มีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านเลิกสอนก็เหตุผลว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะที่ที่ได้รับคําสั่งสอนจากท่าน ไม่เคยเอื้อเฟื้อช่วยเหลืออะไรท่านเลยเนี่ยนะไม่เคยสนใจว่าอาจารย์ทําอะไรอยู่อย่างไรเนี่ยนะว่มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งอ่ะท่านกําลังไปไปก็ดูซิท่านอยากจะลองดูว่าลูกศิษย์ของท่านจะมีเมตากับท่านบ้างไหมท่านก็ไม่บอกว่าท่านจะทําอะไรเสร็จแล้วก็ไปทําในที่กลางแจ้งซึ่งลูกศิษย์ก็มองเห็นพอพอลูกศิษย์มองเห็นแล้วลูกศิษย์ก็เฉยว่าอาจารย์ไม่ได้เรียกใช้ดังนั้นลูกศิษย์ก็ไปตามทางของลูกศิษย์อาจารย์ก็ทําของอาจารย์ก็แล้วกัน ่าอาจารย์ท่านนั้นก็ในที่สุดก็เรียกว่าประกาศปลดตัวเองจากอาจารย์นนะก็บอกว่าไม่มีค่าควรที่เขาจะ อ, าอะไรนะดำเนินปฏิบัติดเนินตามปฏิบัติตามเพราะแค่นี้เขายังไม่เอือ้อเฟื้อั ก, กรเราเลยเนี่ยนะขนาดว่าดูสิว่าเอาทำทั้งเหน็ดเหนื่อยด้วยอะไรด้วยและที่ทำก็ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวของอาจารย์อะไรเนี่ยนะซึ่งเหมันก็เป็นประโยชน์ส่วนรวมทั้นถ้าหากว่า ผู้ที่เข้าไปศึกษาขาดความหวังดีต่อผู้ให้แล้วผู้ให้จะให้อะไรได้เนี่ยพันบุคคลที่ขาดความเมตตาจากครูอาจารย์ทั้งหลายก็ยากที่จะประสบความเจริญเนี่ยนะพันน้อยมากอย่างกขบอกว่าบุคคลที่กลมหัวเดือแข็งดีถือตัวเย่อหยิ่งพยองลำพองทั้งหลายเนี่ยโดยมากก็ไม่มีความเจริญในพระาศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะั้นถือว่าไม่มีความอ่อนน้อมไม่มีคาระวะเนี่ยนะ การมีสัมมาคารวะนั้นเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งหลายเมื่อขาดสัมมาคารวะเป็นต้นความเจริญจกมีมาแต่ไหนเนี่ยนะแต่บางคนเนี่ยขณะที่ลำพองอยู่ก็ดูเหมือนเจริญเพราะมันพองอยู่ด้วยอานาจเหมือนลูกโปง่งเนี่ยนะเหมือนพองอยู่ก็เหมือนก็ว่ายังแม้ยังเจริญเติบโตยั ง, งโงกเงยแต่ถ้าหากว่าวันไหนที่ตัวเองอหมดความลาพองใจลงเนี่ยนะก็เรียกว่าเสื่อมเสื่อมจนถึงขนาดว่า กุศลไม่เหลือเลยเนี่ยนะเหลือแต่อบาปอากุศลธรรมทั้งหลายมันการประพฤติอาพิสมาจารีร ก, กวัดเนี่ยนะตรงนี้ อ, อ, อภิสมาจาร์ก็หมายถึงว่าการประพฤติปฏิบัติอุปถาคมะว่าถ้าฝ่ายในทางพระวินัยเนี่ยมีวัดของผู้ที่เป็นครูอาจารย์ว่าครูอาจารเนี่ยต้องทํำยังไงกับผู้ที่เรียกว่าลูกศิษย์บ้างลูกศิษย์จะต้องทําอย่างไรกับครูอาจารย์บ้างเมื่อศิษย์ไม่ทําตัวในฐานะของศิษย์อาจารย์ ก็ไม่มีกระจิตกระใจหรือว่าลูกศิษย์ทํำแต่อาจารย์ไม่ทําหรือลูกศิษย์ไม่ทําอาจารย์ทำมันก็ด้วยกันไม่นานเพราะอะไรเพราะอีกแต่ละฝ่ายขาดความเมตตาซึ่งกันและการขาดความหวังดีต่อกันและกัรเนี่ยนะนั้นกิจกรรมตรงนั้นก็ยากที่จะเจริญได้อันบางทีเนี่ยเขาก็อย่างสมัยใหม่เขาบอกโอ้ลูกศิษย์ทั้งอบอกบอกพระใหม่บางทีบอกมาผมเนี่ยม่ครูอาจารย์ไม่เคยสนใจผมเลยไม่เคยแต่ตัวเองไม่เคยคิดเลยว่าครูอาจารย์มีกิจอะไรบ้าง นะคือทีนี้อย่างอย่าแ ร, แรกเลยเนี่ยนะครัวจารย์บางองก็โอ้สงเคราะห์พระเนนดีอะไรดีหนักๆเข้าพระเนนไม่ค่อยเอื้อเฟื้อท่านเลยท่านก็ ร, ารําคาญก็ตัดความรําคาญท่านก็อยู่ของท่านเดี๋ยวผมก็อยู่ของผมและกันท่านก็มาด้วยกรรมของท่านผมก็จะอยู่ด้วยบุญของผมเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะโดยพฤติกรรมนะไม่ประกาศชัดเจนแบบนั้นนะแต่ว่าโดยพฤติกรรมเนี่ยซอแวร บ, บอกอย่างนั้นหมดพันลูกศิษย์จะหนาวเน็บขนาดไหนอาจารย์จะมีผ้าห่มสิบผืนก็ไม่ได้แจกให้ เพราะอะไเพราะสายสัมพันธ์แก่กันและกันไม่มีเลยเมื่อไม่มีเลยเนี่ยก็ยากแล้นะก็เหมือนว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันโดยแต่ชื่อเรียกกันอาจารย์แต่ชื่อเป็นอาจารย์แต่สติ๊กเกอร์ปิดกันไปอย่างนั้นแหละอาจารย์แต่ปากอะไรไปแต่ว่าจิตใจก็ไม่ได้มีความเอื้อเฟื้อต่อกันและกันเพราะขาดเมตตาต่อกันและกันที่เป็นอย่างนี้ก็คือเนื่องจากว่ามีโทสะแก่กันและกันและมีมานะต่อกันและกันนั้นทั้งทั้งนั้นก็ไม่มีความเจริญเลย มันอันนี้สำหรับพระพิสุทั้งหลายเนี่ยนะถ้าสำหรับเครือหัดเนี่ยนะถ้าหากว่าจะทำเมตตากายกรรมทำอย่างไรสำหรับกิจของเครือหัดก็เช่นการไหว้พระเจดีย์การไหว้ต้นโพการนิมนต์พระพิสุสองการพบเหล่าพระพิสุที่เข้าไปบ่นเข้าไปในบ้านไปบิณฑบาตต้อนรับบาตรไปรับบาตรไปปูอาสน ะ, ะไป เดินตามหมายาว่าไปคอยดูแลหรือว่าทานน้ำมันให้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเมตตากายกรรมของเครือหัดทั้งหลายอันนี้เป็นเมตตากายกรรมทีนี้ต่อไปเมตตาวจีกรรมบอกว่าสำหรับเหลาพิสุการสอนอาจารยการสั่งสอนศึกษาสามการสั่งสอนศิกษาบทการสั่งสอนพระวินยับรรยบัญญัติการบอกกรรมฐาน การแสดงธรรมการสอนพระตไตรปิฎกการสอนพุทธพจน์คำพูดเหล่านี้ที่ทําด้วยเมตตาจิตเรียกว่าเมตาาเมตาวาจีกกรรมนี่นะก็คือบอกสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์การบอกการสอนการแนะนําการตักเตือนในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้รับคําว่าเมตานั้นหมายคําว่าเ อ, อื้อน้อมประโยชน์ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งความคิดเหล่าใดที่นําประโยชน์ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งความคิดเหล่านั้นเรียกว่าเมตตา ดังนั้นการบอกในสิ่งที่ผู้รับเขามีประโยชน์บอกสอนอาจาระมัญญาตบอกสอนอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาบอกสอนสมถวิปัสนาการแสดงอริยสัจธรรมการประกาศอริยสัจธรรมหวังความเจริญในพระศาสนาให้เขาทรงจำพระพุทธพจน์ทั้งหลายการบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนโอว่าตักเตือนเป็นต้นด้วยความหวังดีต่อผู้รับด้วยความปรารถนาดีต่อผู้รับและ เป็นประโยชน์ต่อผู้รับอย่างแท้จริงอันนี้เรียกว่าเมตตาวจีกรรมแต่ไม่ใช่สะใจของคนพูดเนี่ยนะไม่ได้พูดด้วยความว่าโอ้มาเ ม, มาน้ําลายเนี่ยนะมาก็เลยพูดใหญ่เลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าคําพูดใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้รับอย่างแท้จริงเนี่ยนะเช่นเรื่องศีลเรื่องอาจาระเรื่องมันญาตเป็นต้น หรือว่ามีกรุณาเป็นสมุทฐานหมายความว่าถ้าเขาไม่รู้สิ่งนี้เขาเสียหายเขาเสื่อมจากประโยชน์ก็บอกกล่าวแนะนําตักเตือนเขาให้เข้าได้รับประโยชน์ในประโยชน์ที่พึงจะได้รับอันนี้คเครียกว่าเมตตาวาจีกรรมนัม้นการกล่าวทำเนี่ยนะน้อมนําเมตตาไปนํานําหน้านะมีเมตตานําห น, น้ า, นะ า, นนนาว่าเขาจะได้ฟังได้ยินความที่พระธรรมเป็นธรรมดีเนี่ยนะถ้าเขาปฏิบัติตามธรรมเป็นธรรมอันดีอย่างนี้แล้ว เขาจะพ้นไปจากวัตฏทุกข์เขาจะได้รับประโยชน์รับความสุขรับประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเขาจะได้รับประโยชน์โลกนี้ได้รับประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเขาจะได้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเขาจะเจริญด้วยศรัทธาวิริยสติสมาธิเขาจะเจริญด้วยโพชทธชงองค์มรรคเป็นต้นมันก็เป็นการหวังขอความหวังดีความปรารถนาดีในการแสดงคำนั้นเรียกว่าเมตตาวจีกรรมนะเมตตาวจีกรรม ส่วนเมตตาวจีกรรมของเครือข่าทั้งหลายเช่นคําพูดเชิญชวนว่าพวกเราจะไปไหว้พระเจดีพวกเราไปไหว้ต้นโพพวกเราไปฟังธรรมพวกเราไปบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนหรือพวกเรามาร่วมกันสมมทานประพฤติสุจริตสามประพฤติกายสุจริตประพฤตวิวจีสุจริตประพฤติมโนสุตรจริตไปถวายสลากกพัฒถวายผ้าอาบน้ําฝนถวายปัจจัยสี่แก่สงนี่มนสงมาจัด ถวายของเคี้ยวเป็นต้นปูอาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้ต้อนรับสงให้นั่งเหนืออาสนะที่ปูเอาไว้เกิดฉันท่าอุสาหะขวนขวายอันนี้เรียกว่าเมตตาวจีกรรมอ่านอ น, น้อมคําพูดใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ครหัดด้วยกันน้อมใช้คําพูดใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่บรรพชิตทั้งหลายอันนั้นแหละเรียกว่าเมตตาวจีกรรมของเครหัดมันคําพูดใดที่ผู้ฟังเขาได้รับประโยชน์คําพูดเหล่านั้นเรียกว่าเมตตา วจีกรรมแต่ไม่ใช่ไปพูดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับประโยชน์ถ้าหากว่าพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับประโยชน์ก็คือพูดให้เสื่อมประโยชน์พูดให้เสียหายพูดให้เขาแบบเขากําลังเจริญกุศลอยู่ดีไปพูดให้กุศลจิตเขาลดลงหรื อ, อนะเขากําลังสมัครสมานสามัคคีในการเจริญกุศลกันดีไปหาข้อติเนี่ยนะกลายเป็นช่างติช่างยุช่างแย่ช่างแย่แย่ซะแยกหมดเลยเนี่ยนะเพราะว่าไอา้ ขาดเมตตาวาจีกรรมเป็นที่มาของพูดเท็จพูดคําหยาบและส่อเสียดพร้อมทั้งเพ้อเจ้อโดยเฉพาะส่อเสียดเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากที่สุดเพราะว่าการส่อเสียดในแม้แต่สง์ยังแตกกันว่างั้นอ่ะแม้แต่ผู้มีศีลมีทิฏฐิอัะนะผู้ที่ศึกษาอยู่ในสมถะและวิปัสสนาถ้าหากว่าได้รับคําส่อเสียดท่านเหล่านั้นก็แตกกันมีพระนิสสุรูปหนึ่งเนี่ยนะอ่าเป็นนักส่อเสียด เก่งมากเลยนะส่อเสียดนี่คือเนื่องจากว่ามีพระสองรูปพระสองรูปเนี่อรักกันมากรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องติดตามกันมาเป็นเจ็ดปีแล้วนะสมัยก่อนคนอายุเป็นหมื่นปีเนี่ยสมัยศาสนาพุทธเจ้าองค์กรท่านรักกันมากองค์หนึ่งอายุพันษาห้าอีกองหนึ่งพันษาหกก็อุปถากคอยรับใช้กันเป็นอย่างดีเลยนะ คอยรับบาดคอย อ, อุ้มบาดถือตามไปบินทบาดก็อุ้มบาดคอยจัดจีวรจัดน้ําใช้น้ําฉันเรียกว่าดูแลไรอุปถักองค์ที่มีพันสามากกว่ามานานแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันเนี่ยมากทั้งสองคนก็เอื้อเฟื้ออยู่ด้วยกันด้วยความเจริญในกุศลธรรมแล้วก็ไปอยู่อาศัยหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านนั้นเขาก็มีศรัทธาเลื่อมใสกับท่านากับสองรูปเนี่ยมากก็อุปถักกันไปมีครั้งหนึ่งมีนักธรรมกถึกผู้แสดงธรรมอยู่รูปหนึ่งเนี่ยไปเห็น สององค์สมัครสมานสามาคัคคีกันไปเห็นว่ากลุ่มคาระวะเนี่เขาเลื่อมใสสองรูปนี่เหลือเกินนี่ทํายังไงเราจะครองยึดอํานาจตรงนั้นได้เห็นวิธีจะยึดอํานาจได้ก็บอกสองรูปนี้ต้องแตกแยกกันก่อนก็ไปแตกแยกกันก็มีแผนแผนก็ทําท่าจะไปคุยกับองค์พระเถระองค์หัวหน้าว่าผมมีเรื่องจะบอกท่านอยู่เหมือนกันนะอไม่บอกดีกว่านะทําเป็นมีชั้นเชิงกันนะ ก็เลยจะบอกผมมีเรื่องมั น, มนสําคัญนะแต่ว่าเอถ้าบอกแล้วมันจะเสียหายไม่บอกดีกว่ า, านะทำนะนะก็ไปพูดอย่างนี้อยู่สองสามครั้งแล้วก็ไปหาองค์แรกบอกผมไม่มีอะไรจะบอกท่านนะมีเรื่องสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องอีกอง์หนึ่งนะอแบบชี้แนวนิดหน่อยนะมีเรื่องสําคัญมากเกี่ยวกับเรื่องอีกองค์หนึ่งะบบนนะอะไ อ, อ้อนะเรื่องเป็นยังไงเหรอมันไม่บอกดีกว่า หลายครั้งเข้าอะนะอีกฝ่ายหนึ่งใจจดใจจาะเขาเรียกว่าตอกย้าไม่เหลายๆครั้งเข้าในที่สุดก็บอกว่าเนี่ยองค์ น, นั้นน่ะเขาบอกว่าถ้าผมจะควบคุณเนี่ยนะให้ระวังหน่อยนะองค์เนี้ยไม่แน่นอนอนะองค์นี้ไม่แน่นอนหมายว่าไม่ดีเต็มร้อยนะมีความเสียหายอยู่ในตัวอกีกหลายอย่างด้วยกันเพราะถ้าท่านจะไปครบองค์นั้นเนี่ยท่านต้องคิดให้ดีนะแม่เขาแนะนําผมมาอย่างนี้ ต่อไปเอกนะก็ ส, อส่าานะเเดดสอเสียดด้วยมุสาวาฏเนี่ยนะก็พูดเท็ดเท็ดด้วยส่อเสียดด้วยแต่ว่าเท็จประสงค์จะสอเสียดให้สองฝ่ายนี่แตกแยกกันในที่สุดเนี่ยมองสององค์เนี่ยมองหน้ากันไม่ติดเลยนะวัดมีสองประตูประตูหน้ากับประตูหลังองค์พี่ไปประตูหน้าองค์น้องไปประตูหลังเนี่ยนะว่าจากกันไปเลยร้อยปีผ่านไปยังได้เจอหน้ากันบอกทีนี้ตอนหลังเขามาเจอหน้ากันบอกผมเคยทําอะไรผิดบ้างไหมท่านเคยเห็นไหมบอกไม่เคย อ่าแล้วแล้วอีกทางอีกฝ่ายหนึ่งก็ถามอะแล้วผมเคยทําอะไรผิดไหมท่านเคยเห็นไหมอะไรหมผมก็ไม่เคยเอ้าวงั้นก็แสดงว่าองค์นั้นอายุถ้าเราแตกกันเนี่ยนะเสียใจมากนะกอดคอกันร้องไห้เพราะงันตอนหลังก็มาไล่องค์นี้ตายตอนหลังเนี่ยนะสอเสียตายแล้วก็เกิดเป็นเปรตปรบหัวเป็นหมูนอนเนี่ยเยิ้มเต็มตัวไปหมดแลก็เปรตปากหมูเพราะงั้นสุกระเปรตเนี่ยนะ เกี่ยวกับเรื่องส่อเสียดนี่เป็นเรื่องร้ายกาจมากเนี่ยนะพูดยุแยงตะแคงรั่วคําพูดใดที่ขาดเมตตาก็จะเป็นคําพูดที่ก่อให้เกิดความแตกแยกกันกรรมคําพูดใดที่พูดให้แตกแยกกันเนี่ยนะสามีภรรยาที่รักกันมาเนิ่นนานเมื่อมีฝ่ายมาส่อเสียดเข้าสองคนก็แยกกันแม่กับลูกถึงจะรักกันขนาดไหนเมื่อมีคนมายุแยงตะแคงรั่วเข้าแม่กับลูกก็แตกกันพ่อกับลูกก็แตกกันพี่กับน้องก็ แตกกันเนี่ยนะเครือญาติทั้งหลายก็แตกแยกกันกษัตริย์เมืองภัยาลีก็ล่มสลาย น, นะศูนย์มาลายสิ้นตายกันเป็นเบือก็เพราะว่ามีคนมาส่อเสียดแตกแยกกันมันส่อเสียดนี่จึงเป็นกรรมที่ถือว่าหนักมากนะเป็นกรรมที่มีโทษมากมันคําพูดที่พูดขาดเมตาก็จะพูดให้เขาแตกแยกกันเรียกว่ามีความหวังดีเฉพาะหน้า แต่ปราถนาความทำลายในตอนหลังเนี่ยนะมันคนที่พูดอะไรเนี่ยจะต้องระวังให้ดีว่าคำพูดของเราเนี่ยในที่สุดแล้วนำมาซึ่งปัญหาในตอนหลังไหมผู้ที่ฟังเขาเดือดร้อนไหมเนี่ยนะเราเองจะต้องลำบากใจในภายหลังไหม